และขณะเดียวกันถ้านบอกว่าเป็นประหารบัญญัติให้รู้ประเภทของการละสมุทยัยสัจจะละเนี่ยนะละอะไรก็คือไม่มีความติดใจไม่มีความยินดีไม่มีความอยากนะอันนั้นแหละต้องละละความติดใจละความยินดีละความอยากในกับปเรีงกระหานคําว่าละละเนี่ยละอย่างไงประหารเนี่ยหนึ่งตะทางข้าประหารสองวิขมพนะประหารสาม สมุทเฉทะปะหานสี่ปฏิปัสสติปะหานห้านิสรณนาปะหานตรงนี้เน้นที่สมุทเฉทะปะหานตัดฉันทราคะเนี่ยนะเขามีอยู่คําหนึ่งอาตาปีเนี่ยนะอาตาปีนี้แปลว่าอะไรนะทำแผดเผาใช่ไหมเผาพิจารณาอย่างไงจรจึงจะเผาฉันทราคะในสิ่งนั้นได้นะพิจารณาอย่างไงจรจึงจะเลิกเลิกอยากในสิ่งนั้นได้เลิกติดใจในสิ่งนั้นได้ก็ทํำยังไงให้มันเบื่อในสิ่งนั้นได้จริงๆแล้วเบื่อทุกอย่างเลยนะ เบื่อในขันทุกขันได้เนี่ยจนะจะตัดอะไรได้หมดเลยเนี่ยนะก็บอกว่าเมื่อใดนะจะพิจารณาเห็นขันทั้งหลายเนี่ยเสมอด้วยต้นไม้และใบหญ้าเนี่ยนะถ้าหาันท่านทําได้ขนาดนั้นจริงๆนะท่านเห็นว่าเสมอกันด้วยต้นไม้และใบหญ้าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะสมมุติว่าถ้าเราตายเราติดใจในร่างกายของเรามากเลยใช่ไหมตายแล้วขอมาอาศัยกายนี้เกิดอีกเอาไหม ไม่เอาขอเอาติดตัวไปสักชิ้นหนึ่งเอาไหมเอาฟันไปด้วยสักหนึ่งเอาผมไปด้วยเอาเล็บไปด้วยเอาหนังไปด้วยเอาเนื้อไปด้วยเอาก็ติดใจมากไม่ใช่หรือทำไมไม่เอาไปด้วยละ่ะก็ในที่สุดเราก็ต้องจากสิ่งนี้วันยังค่ำนั่นแหละอ่ะแล้วทำไมตัดใจสักก่อนไม่ได้ล่ะใช่ไหมค้งคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนจะตายเนี่ยนะตัดใจในสิ่งนี้ให้ได้สักก่อนถมีคาถามว่าก่อนจะตายนี่ควรทาอะไรดี ว่าควรตัดฉันธราคะในขันเหล่านี้ให้ได้ซะ ก, ก่อนถ้าตัดไม่ได้ลนะ่ะตัดไม่ได้ก็เดือดร้อนแน่วางั้ น, นพระองค์จึงสอนว่าให้ตัดชันปฐานะบัญญัติเนี่ยนะให้รู้ประเภทเพื่อให้ได้จะได้ละต้นเหตุแห่งความทุกข์ซะทีนี้ต่อไปชื่อว่าภาวนาบัญญัติที่ให้รู้ประเภทแห่งการเจริญมัคคสัจจะมัคคสัจจะ <c oughs> จเจริญอริยมรรคนะทีนี้ถ้าจ ะ, จะเจริญอริยมรรคก่อนที่อริยมรรคจะเกิดนี่เกิดได้ยังไงอริยมรรคจะเกิดก็จเจริญอนุปัสนาสาในรู ป, ปรขันธ์เพื่อให้เกิดนิพิทาวิราคะและนิโรธาปฏินิสักะเนี่ยนะจนอริยมรรคจึงจะเกิดได้พัน้าไม่จเจริญอนุปัสนาสาในกับพระลีงการหานเป็นต้นก็ไม่ใช่ฐานะที่อริยมรรคจะเกิดได้เพรันธ์การเจริญสติปัฏฐาน ที่เจรนากระลิงกราหานเป็นอารมณ์นั่นแหละเป็นการเจริญอริย ม, มรรคเพราะเป็นอุปนิสัยให้อริย ม, มรรคเกิดขึ้นทีนี้ที่จะตัดฉันทราคะเจริญได้เต็มบริบูรณ์แท้จริงเมื่อไหร่ชื่อว่าสัจฉิกิริยาบัญญัติให้รู้ประเภทแห่งการทําให้แจ้งประจักษ์ซึ่งนิโรสัจจะถ้ารู้แจ้งแทงตลอดนิโรสัจจะเพราะไม่มีความติดใจไม่มีความยินดีไม่มีความอยากนั้นนอะ จะต้องมีนิโรธสัจจะเป็นอารมณ์คือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วนั่นแหละจึงจะตัดฉันทราคะในอาหารได้อย่างแท้จริงไม่อย่างนั้นก็ขมขมขมใจไปวันวันหนึ่งสมหรับพี่ารณาอาหารเจริญะรนะปัจเวกอาหารด้วยพิจารนาอาหารอย่างดีแล้วก็เจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาเป็นต้นก็เพียงแต่ขม่มฉันทราคะเท่านั้นยังไม่ได้ตัดอะไรในใน อาหารเหล่านั้นอย่างแท้จริงต่อเมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วนั่นแหละจึงจะเชื่อว่าตัดอาลัยในอาหารได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะข้อความที่บอกว่าถ้าบุคคลไม่มีความติดใจไม่มีความยินดีไม่มีความอยากในกัปปลิงกระหานวิญญาณย่อมไม่ตั้งอยู่ย่อมไม่เป็นไปในวัฏฏะในภูมิสาวิญญาณไม่ตั้งอยู่ไม่เป็นไปในวัฏฏะในภูมิสามใด การอย่างลงแห่งนามรูปก็ไม่มีในวัตตะในภูมิสามนั้นการอย่างลงแห่งนามรูปไม่เป็นไปในวัตตะในภูมิสามใดความเจริญแห่งสังขารก็ไม่มีในวัตตะในภูมิสามนั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในวัตตะในภูมิสามใดความปรากฏแห่งพบใหม่ในกาละต่อไปย่อมไม่มีในฐานะนั้นความปรากฏ ใหม่ในกาละต่อไปย่อมไม่มีในฐานะใดชาติชรามมรณะในกาละต่อไปย่อมไม่มีในฐานะนั้นชาติชรามมรณะในกาละต่อไปย่อมไม่มีในวัตตะใดที่สู่ทั้งหลายเรากล่าวว่าธรรมะนั้นเนี่ยนะไม่มีความโศกไม่มีความเร่าร้อนไม่มีความแผดเผาตรงนี้เขา น, น, น, น่าจะแปลไม่ดีเรากล่าววัตตะนั้นว่าไม่มีความโศกมีไหมเราวัตตะที่ไม่มีความโศกไม่มีรอกนี่ย น, นะ ดูอาจารย์อีกท่านหนึ่งแลวไงที่จริงต้องใช้คำว่าในที่นั้นณนะนะที่นั้นหรือวิวัตตะนั้นเนี่ยนะ ถ, ถ้าจะให้เต็มเนี่ยนะต้องวิวัตตะนะถ้าข้างบนแปลว่าวัตตะนะตรงนั้นต้องแปลว่าวิวัตต ะ, ะเห็นไหมหน้าไหนเจบสามนับลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดบรรทัดที่12บสองใช่ไหม เรากล่าววิวัตะนั้นว่าต้องเป็นเพิ่มคำํำวิมาอีกสับหนึ่งนะวิวัตต์คือมัคคสัต์กับนิโรสัรจจะนั้นว่าไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความเร่าร้อนไม่มีความแผดเผาเนี่ยนะดังที่กล่าวแล้วว่าเนี่ยคือการประกาศอริยสัจแล้วนะที่ที่บอกว่าเออถ้าติดใจในอาหารเนี่ยก็เท่ากับยึดติดใจในวัตตนะอันนี้คือการแสดงทุกขสัตตกับ สมุทยัยศาสตร์ถ้าไม่ติดใจในอาหารก็เท่ากับไม่ติดใจในกองทุกเนี่ยนะไม่ถ้าไม่ติดใจในอาหารก็ดับทุกได้อันนั้นแหละเป็นวิวตัตตเนี่ยนะเพราะว่าความเพลิด อ, อาหารเนี่ยเป็นทุกขสัจจะใช่ไหมอาหารเป็นทุกขสัจสัจความเพลิดเพลินในอาหารเป็นสมุทยัยสัจจะถ้าอาหารดับโดยไม่มีประการทั้งปวงอันนี้เป็นเนโรสัจจะข้อปฏิบัติที่กําจัด ความติดใจในอาหารโดยประการทั้งปวงอันนั้นเป็นมัคคสัจจะทุกสัจจะก็เป็นปริญญาบัญญัติควรกําหนดรู้พระองค์สอนบัญญัติแต่งตั้งให้กําหนดรู้นะปหานะบัญญตัติพระองค์เนี่ยสอนแต่งตั้งให้ละตันหาภาวนาบัญญตัติพระองค์เนี่ยสอนให้เจริญข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดตันหาสัจจิริยาบัญญัติทําให้แจ้งธรรมะคือพระนิพพานเป็นที่ดับตันหาอย่างไม่เหลือ ส่วนในภาษาหานมโนสัญเจตนาหานและวิญญาณอาหารก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะก็คือถ้าบุคคลไม่มีความติดใจไม่มีความยินดีไม่มีความอยากในภาษาหานะในภาษาหานไม่มีความติดใจในมโนสัญเจตนาหานถ้าไม่มีความติดใจใน วิญญาณอาหารก็คือเอาผัสสะอาหารมโนสันเจตนาอาหารวิญญาณอาหารมาทำปริญญาปริญญาก็คือโดยเฉพาะปหานะปริญญาคืออนุปัสนาทั้ง7จนสามารถตัดฉันทราคะในอาหารทั้งมวลได้ด้วยอํานาจอริยมรท่าตัดฉันทราคะได้อย่างแท้จริงคันห้าเหล่านี้จะไม่เป็นอารมณปัจจัยของพบใหม่อีกต่อไปจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งพบใหม่อีกต่อไปถ้าเป็นธาตอาหารก็เหมือนกับตาญยอดด้วน ที่ไม่มีการงอกเงยในวัฏฏะอีกแล้วไม่มีการขยายพันธุ์เพื่อเพื่อต่อพันธุ์อีกซึ่งต่างจากปุตุชนใช่ไหมปุตุชนเนี่ยต่อพันธุ์อะไรนะเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ในวัฏฏะไว้โยงใหญ่ทั่วไปหมดเลยถ้าแต่ของพาาระอรหันต์ทั้งหลายก็ตัดสายสัมพันธ์ในวัฏฏะได้อย่างสิ้นเชิงแล้วน่าจะติดใจอยู่บ้างเนาะน่าจะนะทําไมอะน่าจะมีเชื้ออะไรนะเชื้อเชื้อโรค ชั้นดีเอาไว้สักหน่อยไหมดีไหมไม่ดีนะเพราะขันท่าทุกขันเนี่ยนะก็คือโรคโตทั้งหมดเนี่ยนะมันถาผู้ใดยังติดใจในขันท่าแม้แต่หน่อยเดียวก็ยังเชื่อว่ายังมีการเกิดอยู่เนะชื่อว่ายังมีในภพใหม่อยู่แต่พระนาคามีเนี่ยนะท่านยังติดใจเฉพาะอะไรติดใจเฉพาะรูปรรประพบอรูปประพบท่านติดใจเฉพาะรูปรรประชานอรูปประชานส่วนที่เหลือท่านไม่ได้ติดใจเลยถึงอย่างนั้นท่านก็ยังเกิดในภพใหม่อีก แต่เกิดในสุดทาวาดเพราะยังติดใจในในรูปประชาอารูปประชาติดใจในรูปประพบอารูปประพบเนี่ยนะแต่ถ้าบุคคล ท, ท, ทั่วไปไม่ต้องห่วงเนี่ยนะอีกโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยทั้นกองทุกของปุตชชนเนี่ยนะเหมือนเหมือนอะไรยังชอบสูตรหลายๆสูตรเนี่ยนะในพระไตรปิฎกเช่นอนามตกคะสังยุตเป็นต้นหรือใน นิทานนวักเนี่ยนิทานนวักก็คืออภิอะไรนะอภิสมัยสังยุทธ์เนี่ยที่พูดถึงทุกของปุตุชนเนี่ยนะคือถ้ามองเห็นแผ่นดินเมื่อไรเนี่ยนะคิดได้ง่ายๆเลยว่าทุกของปุตุชนเนี่ยใหญ่เท่ายังเหลือเท่าแผ่นดินทุกของพระโสดาบันเหลือเท่ากับเมล็ดถั่วเจ็ดเมตรนะเมล็ดเม็ดถั่วเขียว7็ดเม็ดเนี่ยนะแต่ทุกของปุตชชนนี่ ย, ยังอยู่เท่าแผ่นดิน หรือถ้ามองเห็นทะเลบอกว่าโอ้โหทุกของปุถุชนเหลือเท่าทะเลทุกของพระโสดาบันเหลือเท่ากับน้ำเจ็ดหยดน่ น, นะเหลือเท่ากับน้ำเจ็ดหยดนั้นห่างกันขนาดไหนเพราะฉะนั้นการเห็นอริยสัจดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องภาคเพียรพยายามให้รู้แจ้งแทงตลอดให้ได้ถ้าแทงตลอดอริยสัจเห็นอริยสัจแค่ครั้งเดียวนี่ก็ถือว่า แน่นอนแ ล, แนนนแล้แน่นอนแล้วที่จะตรัสรู้เพราะฉะนั้นจะภาพควรจึงจึงควรภาพเพียรควรตั้งความปรารถนาะควรอธิฐานในขอให้เราได้กําหนดรู้ขันห้าโดยปริญญาสามจนบริบูรณ์ในละฉันทราคะในอุปาทานขันห้าได้เจริญได้ทําให้แจ้งพระนิพพานได้เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปขอให้ได้เจริญสัมมาพิธิตั้งความปรารถนาะอันนี้ถ้าทําทำสําเร็จได้เป็นพระโ์ดาบันครั้งเดียวก่อนนะ ต่อไปเนี่ยไม่ต้องไม่น่าหนักใจแล้วเพราะอะไรเพราะแน่นอนแล้วนิยโตแน่นอนแล้วสมโพธิปรรยโนต่อไปบรรลุแน่เนี่ยนะไม่นานสักเท่าไหร่ไม่นานจริงๆก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้จกเป็นพระอรหันต์มันควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะต้องกำหนดรู้ในกองทุกละสมุทัยทำนินิโรธให้แจง้งเจริญอริยมรรคให้เต็มเปี่ยมจักได้ทาที่สุดแห่งทุกได้ อย่าลืมนะเห็นแผ่นดินเมื่อไหรก็เนื้อกองทุกข์ของเราที่ยังเป็นปุถุชนเหลือเท่าแผ่นดินทุกข์ของพระโสดาบันเหลือเท่ากับเมล็ดถั่วเขียว7เม็ดไปเที่ยวทะเลเมื่อไร่ก็บอกว่าเออเนี่ยทุกข์ของพวกเราทั้งหลายยังเหลือเท่ากับน้ําในทะเลทุกข์ของพระโสดาบันก็เหลือเท่ากับน้ํา7็ดหยดเนี่ยนะน่าสงสารตัวเองขนาดไหนนะของเราเนี่ยบางทีนะถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิพลเนี่ยพวกนี้ถูกเวรกับตัวเองเนะ พวกนี้แช่งให้ตัวเองเดือดร้อนขอให้แกเดือดร้อนขอให้แกเสียใจน้ำตาเท่ากับน้ำทะเลว่างั้นเลยขอให้แกเสียใจตลอดไปขอให้แกทับถมป่าชาให้มากๆอะไรเงี้ยเท่ากับแช่งแช่งแช่งแช่งนั้นการที่เราประมาทไม่ภาคเพียรเรียนรู้เพื่อทําให้แจ้งอริยสัจเนี่ยเป็นบุคคลที่แช่งตัวเองจริงๆเลยนะแช่งให้ทุกข์ขอให้ทุกข์ขอให้ทุกข์ขอให้ทุกข์มากๆขอให้ทุกข์เยอะๆนั่นนะนั้นสรุปว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ การแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยเป็นอะไรเป็นนิเข ป, ปะบัญญัตินิเค ป, ปะบัญญัติก็คือทรงบัญญัติแต่งแต่งตั้งเอาไว้เพื่อให้เวนยสัตว์นนะผู้ที่สามารถตรัสรู้ได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตว์นนะเพื่อเพื่อให้กําหนด ร, รู้เพื่อให้ละเพื่อให้ทําเพื่อให้เจริญภาวนาเพื่อทําให้แจ้งเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นปริญญานี่ก็เป็นบัญญัติเพื่อให้กําหนด ร, รู้นะ ปหาณะก็เป็นบัญญัติบัญญัติเพื่อให้ละบัญญัติคือแต่งตั้งเพื่อให้ละบอกชี้ชัดเลยวันท้าไม่มีบัญญัติเนี่ยเราจะรู้อริยสัจได้ไหมบรรลุได้ไหมคนที่ไม่ต้องอาศัยบัญญัติแล้วบรรลุได้มีอยู่สองท่านใครพระปเจกับพระพุทธเจ้ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลที่เหลือต้องมีขุนชี้แนะแนะแนวคือบัญญัติมาแนะแนว บัญญัติแนแนวให้ทำปริญญาบัญญัติแนแนวให้ละบัญญัติแนแนวให้เจริญภาวนาบัญญัติแนแนวเพื่อทำให้แจ้งนั่นเอง<ม>ในข้อ40พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่ประมาทมีปัญญารักษาตนมีสติพึงเจริญสมาธิเนี่ยนะอันนี้บอกว่าพึงเป็นผู้ไม่ประมาทใช่ไมไม่ประมาทนี่แปลว่าอะไร แปลว่าโอ้โหใจจดใจจอ่ออย่างนี้เลยหรือเปล่าใจจดใจจ่อเลยอางไรไม่ประมาทก็คืออย่าปล่อยใจไปในกาลมาคุณห้านะอย่าปล่อยตัวปล่อยกายวาจาให้เป็นไปกับทุจริญสามให้ตั้งไว้เธอะศีลที่ยังไม่เจริญก็จัดเจริญสมถาวิปัสนาเป็นต้นที่ยังไม่ปฏิบัติก็ภาพเพียรพยายามนั่นแหละเรียกว่าไม่ประมาทส่วนคําว่านิปโกมีปัญญารักษาตนก็มีสาพกะสัมปชัญญะเป็นต้นมีสติระลึกถึงคําสอน ให้ชัดเจนแล้วก็เจริญสมาธิเจริญสมาธิสมาธิคืออะไรคือความตั้งจิตมั่นเนี่ยนะพิสูุนทั้งหลายผู้มีจิตตั้งมั่นคือมีใจเป็นสมาธินั่นแหละย่อมรู้ตามความเป็นจริงย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงเพราะสมาธิที่ถูกต้องจะต้องเป็นบาทเพื่อให้รู้เห็นตามเป็นจริงถ้าสมาธิที่ผิดพลาดไม่เป็นไปเพื่อการรู้จริง ถ้าสมาธิที่ถูกต้องต้องเป็นไปเพื่อรู้ความจริงรู้อะไรจริงก็อริยสัจนั่นแหละรู้ตามความเป็นจริงอย่างไรย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่าจักขูไม่เที่ยงรู้ตามความเป็นจริงว่ารูปไม่เที่ยงรู้ตามความเป็นจริงว่าจักขูวิญญาณไม่เที่ยงจักขูสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขู่สัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยไม่เที่ยงถ้าบางสูตรก็บอกว่ า, วา จักขูเป็นทุกรูปเป็นทุกจักขูวิญญาณเป็นทุกแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกเนี่ยนะรูปจักขูเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาจักขูวิญญาณเป็นอนัตตาจักขูสัมผัสเป็นอนัตตาแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตาเนี่ยนะไม่เที่ยงยังไงทําไมมันจึงไม่เที่ยงล่ะเนี่ย ก็เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งเหล่านี้มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปและแปรปรวนไปเป็นธรรมดาทําไมจกักขครูรูปจกักรคูวิญ ญ, ญาณภาษาเวทนานเหล่านี้จึงเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะจึงเชื่อว่าเป็นทุกข์ ขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีชาติชรามรณะเป็นธรรมดาเนี่ยนะมีตาสีจกักขวิญญาณผัสสะเวทนาเนี่ยเป็นอาหารที่อร่อยของโสกะปริเทวะทุกโทโมนัตและอุปาญาตเคยเห็นภาพบางอย่างแล้วร้องไห้เลยใช่ไหมเห็นภาพบางอย่างแล้วน้ําตาซึมเลยไงเห็นภาพบางอย่างแล้วก็บน่บนบน่บนบ่นอยู่นั่นแหละเนี่ยเห็นภาพบางอย่างแล้วก็เสียใจเนี่ยนะน้อยอกน้อยใจเป็นต้น เพราะอะรเพราะอาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณภาษาเวทนาสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุของโสกะปริเทวะทุกโทโมนัตและอุปายาตถ้ายังมีตาโดยที่ไม่ต้องโศกปริเทวะทุกโทมรัตอุปายาตเป็นไปได้ไหมถ้าทำปริญญาสําเร็จใช่ถ้าทำปริญญาหรืออีกในหนึ่งถ้าเห็นจากขู่จากขู่สมุทัยจากขูนิโรจากขูนิโร ธ, า ค, โรธาคา ม, มินีปฏิปทาสําเร็จตาเหล่านี้จะไม่เป็นเหตุแห่งโสกะต่อไปอีก แต่ถ้ายังไม่เห็นอริยสัจเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นเหตุแห่งโซกะปริเทวะทุกโทโมนัสอุปายาตต่อไปอีกผู้ที่มีจิตตั้งมั่นก็พิจารณาหูไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงโสตวิญญาณไม่เที่ยงโสตสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็ ไม่เที่ยงด้วยอํานาจของปัญญาเพราะสิ่งนี้อันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะจะโง่ไม่เที่ยงกลิ่นไม่เที่ยงคานะวิญญาณไม่เที่ยงคานะสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทน า, ททนาหรืออทุก ข, ขมสุขเวทนาที่มีคานะสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปดับไ ป, ปแปรปลวนไปเป็นธรรมดาเลนไม่เที่ยงรถไม่เที่ยงเชีวหาวิญญาณไม่เที่ยงเชีวหาสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออาทุกขมสุขเวทนาที่มีเชีวหาสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ อันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไ ป, ไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดากายไม่เที e bardzo, ่ยงโพธพะะไม่เที e ่ยงกายะวิญ ญ, ญาณไม่เที e ่ยงกายะสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีกายะสัมผัสเป็นปันปนปจจัยก็ไม่เที e ่ยงนะอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าจิตก็ไม่เที่ยงธรรมรมรรค ม, มโโญญญาก็ไม่เที่ยงมโนวิญญาณก็ไม่เที่ยงมโนสัมผัสก็ไม่เที่ยงหรือสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุคามสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาการแสดงแบบนี้เนี่ยเป็นการแสดงวิปัสนาเนี่ยนะสูตรนี้ข้อสี่สิเฉพาะข้อความเหล่านี้เป็นวิปัสนาเน้นอ น, อนิจจานุปัสนา พะผู้ใดเห็นนะเห็นจากครูรูปจากครูวิญญาณภาษาเวทนาหูเสียงโสตวิญญาณภาษาเวทนาจมูกกลิ่นคานวิญญาณภาษะเวทนาลิ้นรสชิวหาวิญญาณภาษะเวทนากายโพธะภะกายยะวิญญาณภาษาเวทนามโนธรรมรมโนวิญญาณภาษะเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงอย่างสมบูรณ์ดี เมื่อใดเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเขาจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เที่ยงเหล่านี้คือเบื่อหน่ายในในวัตฏะในภูมิสามที่มันไม่เที่ยงไอ้ความเบื่อหน่ายนั่นเป็นทางแห่งความหมดจดเพราะฉะบางแห่งเนี่ยแสดงอนิจจานุปัสสนาเสร็จแล้วต่อด้วยนิพพานุปัสสนาแล้วก็แสดงอริยมรรตต่อไปเลยเนี่ยนะเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญา ม, มากก็กล่าวแต่ย่อก็พอเนี่ยนะอีกโซนหนึ่งที่กล่าวถึงวิปัสสนา ที่ที่เป็นระดับสูงว่าดูก่อนราทะาเธอทั้งหลายจงกระจายจงกำจัดจงทำการเบียดเบียนรูปโ้ค่ารูปสเถอะกระจายให้หมดเลยนะกระจายซะกำจัดมันซะเบียดเบียนเล่นงานรูปเลยอะไรเงีย แต่ตรงนี้ไม่ได้ไปเคี่ยนไปโบยไปตีไปสับไปอะไรที่ไหนนะใช้ปัญญานะพวกนี้เป็นชื่อของปัญญานะที่ไปกระจายที่ไปกําจัดที่ไปเบียดเบียนรูป <c oughs> เพราะฉะนั้นจงปฏิบัติเพื่ อ, อเพื่อความสิ้นตัณหาด้วยปัญญาคือสิ้นตัณหาในรูปด้วยปัญญาเนี่ยนะความสิ้นทุกย่อมมีเพราะความสิ้นตัณหา น, านิพพานอันเป็นที่ดับย่อมมีเพราะความสิ้นทุกเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นถ้า กระจายกำจัดเบียดเบียนรูปด้วยอนุปัสนาทั้งหลายเนี่ยนะก็เป็นการปฏิบัติเพื่อสิ้นตัณหาด้วยปัญญาคือวิปัสนาปัญญาเนี่ยนะถ้าหากว่ า, าสิ้นตัณหาอย่างแท้จริงนั้น ก, ก็สิ้นทุกข์ละไอความสิ้นทุกข์นี่แหละเรียกว่าพระนิพพานเพราะพระนิพพานนี้เป็นธรรมที่ดับทุกข์เป็นธรรมที่สงบทุกข์เนี่ยนะเธอทั้งหลายจงกระจายจงกำจัดจงกระทําการเบียดเบียนซึ่งเวทนา จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นตันหาด้วยปัญญาความสิ้นทุกย่อมมีเพราะความสิ้นตันหานิพพานอันเป็นที่ดับย่อมมีเพราะความสิ้นทุกเธอทั้งหลายจงกระจายจงกำจัดจงทำการเบียดเบียนซึ่งสัญญาจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นตันหาด้วยปัญญาความสิ้นทุกย่อมมีเพราะสิ้นตันหานิพพานอันเป็นที่ดับ ย่อมมีเพราะความสิ้นทุกข์เธอทั้งหลายจงกระจายจงกำจัดจงทำการเบียดเบียนซึ่งสังขารทั้งหลายจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นตันหาด้วยปัญญาความสิ้นทุกข์ย่อมมีเพราะสิ้นตันหานิพานอันเป็นที่ดับย่อมมีเพราะความสิ้นทุกเธอทั้งหลายจงกระจายจงกำจัดจงทำการเบียดเบียนซึ่งวิญญาณจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นตันหาด้วยปัญญา ความสิ้นทุกย่อมมีเพราะสิ้นตัณหานิพพานอันเป็นที่ดับย่อมมีเพราะความสิ้นทุกเนี่ยนะนี่ก็เป็นคําสอนที่ที่มุ่งให้กระจายมุ่งให้กําจัดมุ่งให้ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะอะไรเพราะอะไรเมื่อเช้าที่เราสวดใช่ไหมชาติปิทุกขาจาราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกาปริเทวาทุกทโทมนันสุปายาสาปิทุขาอัปิเยหิ สัมปโยโคทุโขปีเอหิวิปโยโคทุกโขยมปิชังนละติตามติทุกขังสังทิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขานะอะไรเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็ทุกข์ ถ้าดพาดจากของรักก็ทุกปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกไอ้ทุกที่พูดทั้งหมดนี่มันคืออะไรกันแน่ทำไมมันทุกจริงจริงอ่ะนะทุกทั้งเยอะแยะไปหมดเลยก็คือขันห้านั่นแหละคือตัวทุกมันถ้ามีขันห้าก็แปลว่ายังมีทุกขถ้าดับขันห้าได้เป็นสุขเพราะฉะนั้นคําสอนที่สอนให้บอกว่าเนี่ยกระจายซะําจัดซะเบียดเบียนขันห้าซะเนี่ยนะอันเนี้ยเป็นนิโรธบัญญัติเนี่ยนะเป็นการ ให้รู้ประเภทโดยการดับขันห้าไม่เหลือถ้าดับขันห้าได้เนี่ยเป็นสุขนะถ้าการเกิดขึ้นแข่งขันห้าเป็นทุกขการดับขันห้าเป็นสุขเนี่ยนะแต่ว่าจะดับขันห้าก็ต้องดับด้วยอารยมรักษนะถ้าไม่มีมรักเนี่ยดับไม่ได้หรอกมันเหมือนของอมตะคิดง่ายๆไ ง, งถ้าปวดหัวนะลองบอกเออจงัจงเลิกปวดซะเลิกซะเวทนาพอแล้วพอแล้เลิกเถอะเลิกเถอะบอกงี้มันยอมไหมไม่ยอมง่ายๆหรอกปวดฟันดูสิเอา้าเนีย่ยนะเราบอก พอและเลิกปวดเธอเนี่ยนะไม่พอหรอกท่านจะต้องมีอะไรนะมียาใช่ไหมเป็นเครื่องกําจัดความเจ็บปวดฉันใดขันห้าในวัตฏะก็เหมือนกันถ้าจะดับขันห้าได้จริงก็ต้องอาศัยอริยมรรคเป็นข้อปฏิบัตินั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าคําสอนที่กล่าวไปทั้งหมดเมื่อกี้นี้เป็นนิโรธบัญญัติบัญญัติที่ให้รู้โดยประเภทการดับดับด้วยอะไรเอาอะไรมาดับก็ดับตัณหาด้วยมรรคเนี่ยโดยไม่เหลือเนี่ยนะ แห่งนิโรธสัจจะเพราะนิโรธบัญญัตินี้พูดถึงนิโรธสัจจะเนี่ยนะคือพระนิพพานเป็นนิพพทาบัญญัติบัญญัติที่ให้รู้โดยประเภทแห่งความเบื่อหน่ายแห่งอัสสาธะคือความยินดีคือปกติผู้ที่สร้างวัตตะคืออะไรก็คือผู้ที่ตามยินดีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเป็นข้อปฏิบัติเพื่อสร้างขันห้าข้อปฏิบัติเพื่อสร้างขันห้าก็คือตามยินดีในรูปตามยินดีในเวทนา ตามยินดีในสัญญาตามยินดีในสังขารตามยินดีในวิญญาณแต่ข้อปฏิบัติเพื่อดับวัตตะก็คือตามเบื่อหน่ายในรูปตามเบื่อหน่ายในเวทนาใช่อย่างที่เราเคยสวดเคยสาธยายกันว่าอริยสาวกเมื่อได้ฟังแล้วรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน รูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นคําสอนที่ให้บัญญัติแต่งตั้งบอกว่าให้เบื่อให้มากๆเพราะถ้าเบื่อแล้วเป็นเหตุแห่งความพ้นทุกเบื่อด้วยปัญญากับโทสะคนไรเรื่องกันนะไอ้ที่พูดเนี่ยพูดพูดด้วยอํานาจนิพพิทานุปัสสนาไม่ใช่พูดด้วยอํานาจของโทสะเพราะคําสอนนี้ไม่ใช่คําสอนของผู้มี โสะเนี่ยนะเป็นคำสอนของผู้มีปัญญาแล้วก็คำสอนเหล่านี้เป็นปริญญาบัญญัติเนี่ยนะเป็นบัญญัติที่ให้รู้โดยประเภทแห่งการเข้าไปทำปริญญาสามเข้าไปรอบรู้ในอุปาทานขันห้าในทุกขสัตว์เนี่ยนะเข้าไปทำปริญญาด้วยยาตะประิญญาตีระปริญญาปะหานะประิญญาในทุกขสัตว์เป็นปะหานะบัญญัติบัญญัติที่ให้รู้โดยประเภทการละละอะไร ละสมุทไทยคือละฉันทราคะในขันห้านั่นแหละเป็นภาวนาบัญญัติบัญญัติที่ให้รู้โดยประเภทแห่งการเจริญเจริญอะไรเจริญมัคคสัตต์ตัวปัญญาที่ไปเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงนี้เป็นปัญญาใช่ไหมเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะไอ้สัมมาทิฏฐิปัญญาตัวนั้นต้องเจริญอันนั้นเป็นภาวนาบัญญัติให้เจริญอนุปัสนา ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะการเจริญอนุปัสนาวิปัสนาทั้งหลายเป็นหัวหน้าของมรรคที่เหลือเพราะฉะนั้นถ้าเจริญอนุปัสนาพิจรารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้เพราะมรรคมรรคสัจจะเนี่ยนะเพรา ะ, ะมรรคสัจจะเกิดขึ้นได้เพราะวิปัสนาเป็นอุปนิสัยปัใจจัยให้ คำสอนที่กล่าวทั้งหมดนั้นนะเป็นนิโรเป็นสัจฉิกิริยาบัญญัติบัญญัติที่ให้รู้โดยประเภทแห่งการทําให้แจ้งทําให้แจ้งก็คือสัจฉิกิริยาแห่งนิโรสัจจะเนี่ยนะจะต้องทําให้แจ้งต้องทําให้ประจักษ์ในในอะไรในพระนิพพานเป็นที่ดับเนี่ยนะหรือในความสิ้นทุกเนี่ยนะสิ้นทุกก็เพราะอะไรเพราะสิ้นตัณหาใช่นิพพานเป็นที่ดับดับทุกเนี่ยนะก็เพราะมีความสิ้นทุกข มันก็ขอให้าทาให้แจ้งนิโรธสัจจนะอนั้นเนี่ยเป็นสัจฉิกิริยาบัญญัติบัญญัติเพื่อการทำให้แจ้งก็อย่างที่พระองค์ตรัสว่าอะไรนะทำสอนในพระไตรปิฎกหรือํำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้บทอักขระใช้พยัญชนะมากมายเหลือเกินเนี่ยนะพูดเยอะมากพูดทั้งหมดเพื่ออะไร เพื่อให้รู้วันนี้ทุกนี้ทุกขสมูทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขนิโรธปฏิทุกขานิโรธคามินีปฏิ ป, ปทาพูดเยอะแยะจะได้กําหนดรู้ในทุกจะได้ทําปริญญาในทุก์จะได้ละสมูทยัยจะได้ทํานิโรธให้แจ้งจะได้เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์พันธ์อย่างที่กล่าวบ่อยๆย้ยําอยู่เสมอว่าฟังธรรมจะต้องฟังให้เป็นอริยสัจให้ได้ถ้าฟังแล้วเป็นอริยสัจไม่ได้แสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะ เกิด อ, อะไรขึ้นยอมว่าก็เกิดอวิชชาขึ้นไงก็อวิชชาไม่รู้อริยสัจนี่อ่านใช่ไหมอวิชชาคืออะไรอวิชชาเป็นฉไนะความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขสัมมุทัยความไม่รู้ในทุกขเนรโรทความไม่รู้ในทุกขเนิโร ถ, ถ้าขามินีปฏิปทาถ้าฟังแล้วแยกสัจจะไหนเป็นสัจจะไหนไม่ได้โอ้อวิชชาจริงๆนะ่ยก็อวิชชาได้เกิดขึ้นแล้ววิชชาได้หายไปหมดแล้วก็น่าสงสารเนาะ ดีมันน่าจะได้เจริญกรุณาให้กับตัวเองบ้างนะโมแต่สงสารคนนูน้นสงสารคนนี้ทําไมไม่สงสารตัวเองบ้างทําไมเราไม่เห็นอริยสัจสักทีนึ่ง น, นะเพราะว่าสงสารตัวเองเลยหลั่งน้ําตาให้กับตัวเองเลยใช่ไหมเอาน้ําตามารดไม่ใช่เนี่ยเเอาปัญญาซีมาราดรถจะได้ฉลาดขึ้นถ้าปัญญาเกิดขึ้นเป็นยังไงก็ความรู้ในทุกความรู้ในทุกขสมุทยัยความรู้ในทุกขานิโรธความรู้ในทุกขานิโรธถ้าามินีปฏิปทานนั่นเป็นปัญญา ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่ามูธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามเป็นทุกขสัจจะ น, นะวัตตาในภูมิสามคือวัตตาที่เป็นตารมาพบรูปประพบอรูปประพบเนี่ยเป็นทุกขสัจจะย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหตุมีตันหาเป็นต้นนะนะตันหาวิชากรรมเนี่ยนะที่นำไปสู่อบายนี้เป็นสมุทยัยสัจจะ น, นะกิเลสทั้งหลายที่นําไปสู่วัตตาหรือนําไปสู่อบายเนี่ยเป็นสมุทยัยสัจ ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่านิพานเป็นที่ดับดับอะไรก็ดับวัตตาในภูมิสามดับสมุทัยเนี่ยเป็นนิโรธสัจจะย่อมรู้เชัดตามความเป็นจริงว่าข้อปฏิบัติที่ไปกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเป็นมรรคสัจจะเพราะเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงพระนิพานอันเป็นที่ดับกองทุกเนี่ยนะ คำสอนที่สอนเนี่ย น, ะนับตั้งแต่ย่อหน้าบอกภิกษุนั้นย่อมรู้ตามความเป็นจริงนี้เทศนานี้เป็นปฏิเวทบัญญัติปฏิเวตนี่แปลว่าบรรลุใช่ไหมบัญญัติที่ให้รู้ประเภทโดยการแทงตลอดหรือการบรรลุเนี่ยนะปฏิเวทภาษาไทยนิยมแปลว่าบรรลุแต่ก็หมายถึงการแทงตลอดเนี่ยนะแทงตลอดเนี่ยปฏิเวทหรือแทงตลอดนี่แทงตลอดทุกด้วยปริญญาปฏิเวทะเนี่ยนะแทงแทงตลอดสมุทัยด้วย ปหานะแทงตลอดนิโรธ ด, ด้วยการทําให้แจ้งแทงตลอดอริยมรดุด้วยการเจริญนั้นคําสอนตรงนี้เนี่ยที่บอกว่ารู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธถ้าคม่หนีปฏิปทานนี้เป็นการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตว์นั่นเองเป็นนิเขบัญญัติบัญญัติที่ให้รู้โดยประเภทการตั้งไว้ในสันดานแห่งเวนยสัตว์เนีย่ ย, ยนะก็คือเป็นการแสดงทัศนภูมิ เป็นการแสดงอะไรนะทศนภูมิคือการแสดงโสดาปฏิมัตเป็นภาวนาบัญญัติภาวนาบัญญัติก็คือการเจริญแห่งมกขสัจจะเป็นศาสตร์ชีกิริยาบัญญัติเป็นการทําให้แจ้งโสดาปฏิผลเพะฉนั้นคําสอนบอกว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโร ธ, โร ธ, โรธคามิหนีปฏิปทานเนี่ยนะคำสอนเนี่ยเป็นการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะ เป็นการตั้งไว้ให้เห็นว่านี้คือโสดาปฏิมาศโสดาปฏิมาศอันนี้ต้องเจริญที่เจริญอย่างเงี้ยเพราะได้ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลแล้วเนีย่ยนะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับอริยสัจในหัวข้อต่อๆไปเนี่ยนะซึ่งเนื้อหาถือว่าดีมากก็คงเป็นอาทิตย์ต่อๆไป